นับปฏิปัต ส, สัมเพตพระเตจตารีสกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติหมวดที่1ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือ 1. ให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ใช้สา ม, มเณรอุปถา f 4. รับแต่งตั้งเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี 5. แม้ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสมไม่พึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัต แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าอีกอย่างหนึ่งคือ1ต้องอาบัตที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงอุคเคปนิยกรรมเพราะไม่ทาคืนอาบัตอีก 2. ต้องอาบัตอื่นทำนองเดียวกัน 3. ต้องอาบัตที่เลวซามกว่านั้น 4. ตําหนิ ก, กรรม 5. ตําหนิภิกษุผู้ทํากรรมภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับอุเคเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่ 3. ภิกษุทั้งหลาย สงฆ์ไม่พึงระงับอุเคเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ยินดีการกราบไหว้ของปกจตตะภิกษุ 2. ยินดีการลุกรับของปัจจตตะภิกษุ 3. ยินดีการประนมมือของปัจจตตะภิกษุ 4. ยินดีสามีจิกรรมของปัจจตตะภิกษุ หายินดีการนำอาสนะมาให้ของปกติตะภิษุภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลหมวดที่4ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1>, 1. ยินดีการนำที่นอนมาให้ของปธธัตตะพิษุ 2. ยินดีน้ำล้างเทา้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปธธัตตะพิษุ 3. ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปธธัตตะพิษุ 4. ยินดีการรับบาดและจีวรของปธธัตตะพิษุ 5. ยินดีการที่ปัจกตตะภิกษุถูหลังให้ในคราวอาบน้ําภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุกเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองห้าเหล่านี้แลหมวดที่5ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุคเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติ แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยสีลวิบัติ 2. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาจารวิบัติ 3. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 5. ยุโยงปกระทตะภิกษุให้แตกกันภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่ 6. ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัตสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียรถีสามคบพวกเดียร์ถีสี่ไม่คบพวกพิกุกห้าไม่ศึกษาศิกขาบทของพิกษุภพิษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่พิกษุผู้ประกอบไดยองค์ห้าเหล่านี้แล หมวดที่7ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยหงห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกระตตาภิกษุ 2. อยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกระตตาภิกษุ 3. อยู่ในอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตตะพิษุ 4. เห็นปกตัตตะพิษุแล้วไม่ลุกจากอาสนะ 5. ลรุกรานปกตัตตะพิษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารพิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตแก่พิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แหละหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. งดอุโบสถแก่ปกตัตตภิกษุ 2. งดปวารณาแก่ปกตัตตภิกษุ 3. ทํทำการไต่สวน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 นับปฏิปัสษ์เพตตพะเตจัตารีสกับในอุเขปนียกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตจบ